ตักเราตั้งแต่เกิดมานี่เคยถามตัวเราเองบ้างหรือไม่ว่าเราเกิดมาได้อย่างไรแล้ว เ, เกิดมาทำไมถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่ชัดเจน เราก็จะได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องและจะนำเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายต่างๆอย่างไม่มีวันจบวันสิน้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับคำตอบ ที่จะทำให้เราได้เดินไปสู่ความสุขเดินไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายการที่เรามาเกิดได้นี้เกิดจากอะไรถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนา เขาก็จะว่าเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีพ่อมีแม่เมื่อมีพ่อมีแม่มาผสมพันธ์กันเอาเชื่อของพ่อกับเชื่อของแม่มาผสมกันก็จะทําให้เกิดร่างกายขึ้นมาใหม่อีกร่างหนึ่งแล้วหลังจากเจริญเติบโตอยู่ในครรภได้ประมาณเก้าเดือนก็จะคลอดออกมา แต่นี้เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวความจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบความจริงที่จะนําไปสู่ความทุกข์ความมุ่นวายต่างๆเพราะถ้าคิดว่าร่างร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่พอเกิดมาแล้วก็จะมีความรักความห่วงร่างกายนี้แล้วก็จะมีความทุกข์ กับร่างกายนี้เวลาที่ร่างกายนี้เป็นอะไรไปแทนที่จะมีความสุขกลับจะต้องมีความทุกข์แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพ่อธรรมคำสอนเราจะได้รู้ว่านอกจากการมีพ่อมีแม่แล้วยังต้องมีดวงวิญญาณคือดวงจิตดวงใจที่ ได้ตายจากพบก่อนชาติก่อนคือพบก่อนชาติก่อนก็มีร่างกายใจเป็นผู้ครอบครองร่างกายอยู่ร่างหนึ่งพอร่างกายนั้นถึงแก่กรรมไปใจก็ต้องออกจากร่างกายนั้นแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าใจ ยังมีความอยากอยู่คือมีกามตันหาภาวตันหาวิภวะตัน ห, หาอยู่แต่ถ้าใจนั้นไม่มีกามตันหาภาวตันหาวิภวตันหาคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกใจนั้นก็จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ถึงแม้จะมีพ่อแม่ มีการผสมพันธ์ของพ่อของแม่ถ้าไม่มีใจที่มีความอยากไปจุติไปครอบครองก็ร่างกายนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเป็นใจที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอยู่ ยังมีกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยู่ใจนั้นก็จะไปครอบครองร่างกายที่ได้รับการสร้างขึ้นมาจากการผสมของพ่อและแม่ส่วนถ้าเป็นใจที่ยังมีตันหาอยู่แต่มีเพียงแต่ภวะตันหาวิภาวะตันหา แต่ไม่มีกามตัณหานั่นก็คือใจของพระอนาคามีใจของพระอนาคามีนี้ได้กาจัดกามตัณหาได้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้กาจัดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาใจนั้นก็จะไม่ไปครอบของร่างกายแต่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะ กำจัดกำจัดภาวตันหาและวิภาวะตันหาในสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปทังนั้นร่างกายหรือการมาเกิดนี้ของร่างกายนี้ก็เป็นเพราะว่ายังมีใจ ที่มีกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามาครอบครองจึงทำให้การาผสมพันนั้นเป็นไปได้อย่างสำเร็จคือมีการก่อร่างสร้างตัวในรันและพอถึงเวลาก็ได้คลอดออกมา ได้มีร่างกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็เจริญติบโ ต, ตขึ้นมาตามลำดับพอเกิดมาก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาทำไมกันรู้ว่าเกิดมาเพื่อทำตามความอยากเท่านั้นเพราะคิดว่าการทำตามความอยากเป็นวิธีหาความสุขนั่นเองแต่แทนที่จะได้ความสุข กับจะต้องมาทุกข์อีกทุกข์กับความอยากนี่แหละอยากก็ต้องดินลนการดินลนหาสิ่งที่อยากได้ก็เป็นความทุกข์อย่างเลยแล้วพอได้มาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปเป็นความทุก โดยที่ไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าเป็นเป็นความสุขเป็นการมาหาความสุขกันก็เลยคิดว่าการเกิดนี้ดีเพราะเมื่อเกิดแล้วจะได้มีโอกาสที่จะมาหาความสุขต่างๆมาหาลาบยศสารเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาเวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เสียใจทุกข์ใจเวลาได้มาก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาความห่วงความกมังวลแล้วเวลาที่ต้องเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เป็นความทุกข์ แล้วก็ต้องเสียร่างกายไปด้วยร่างกายที่ได้มาก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ทุกข์อีกแต่จะไม่มีใครเห็นว่าเป็นความทุกข์กันเพราะจะไม่มีใครมองว่าเป็นความทุกข์กันทุกคนมองว่าต้องหาความสุขกันอย่างเดียว ต้องเดินต้องหนีจากความแก่ความเจ็บความตายกันอันนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่รู้ว่าเรามาเกิดการจริงๆเกิดมาเพื่ออะไรมีพระพุทธเจ้าเพียงพ่ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้ด้วยตนเองว่ามาเกิดก็เพื่อที่มาหยุดกัน หยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเองคือมาเกิดเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุกข์มามาหยุดความเกิดกันเพราะเมื่อเราหยุดการเกิดได้เราก็จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วเราก็จะได้มีความสุขจริงๆความสุขนี้เกิดจากการไม่ได้มาเกิดแต่การมาเกิดนี้ล่ะเป็นความทุกข์ ดังที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่ า, วาทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์อย่ามาเกิดเพราะถ้ามาเกิดแล้วมันมีความทุกข์ทุกหลายรูปแบบด้วยกันทุกจากการต้องเลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูร่างกายทุกเกวกับการที่จะหาสิ่ง ส, งสางๆตามความอยาก แล้วก็ต้องมาทุกขกับการสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอีกทุกกับการพัดพรากจากกาันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดทรงเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นเป็นการผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิด แล้วพระองค์ก็ทรงค้นพบเหตุที่ทำให้มาเกิดว่าเกิดจากอะไรเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันก็คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่เองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องกําจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาเพราะว่า ถ้าเรากาจัดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อเราไม่เกิดเราก็จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดหน้าการจะไม่เกิดได้ก็ต้องกาจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในกามคุณห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสผดผภาภาวะทันหาก็คือการอยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าภาวะทันหาและวิภาวะทันหาก็คือการไม่อยากมีความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเช่นลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผดผภา นี่คือความอยากสามประการด้วยกัน <c oughs> ที่ทําให้พวกเรามาเกิดกันไม่ใช่เพราะว่าพ่อหรือแม่ทําให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราจะไม่มาเกิดกันต่อให้มีพ่อมีแม่เราก็จะไม่มาเกิดเพราะเราไม่มีความอยาก เราไม่มีความอยากได้อะไรจากการมาเกิดดังนั้นการมาเกิดของเราถ้าถามว่ามาเกิดเพื่ออะไระก็มาเกิดเพื่อหยุดการมาเกิดนั่นเองเพราะถ้าเราไม่หยุดมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆและการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้เราก็ต้องหยุด กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหาและการที่เราจะหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะธรรมนี้เป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้นั่นเองอ นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันทำไมเราต้องบวชต้องเรียนกันเพราะว่าถ้าเราต้องการจะกำจัดกา ร, รมัทันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้หมดได้อย่างสิ้นเชิงภายในภพนี้ชาตินี้นะเราจาเป็นต้องบวชต้องเรียนคือเราจะต้องไม่มีอาชีพอื่น อาชีพของเราคือการบวชเรียนบวชเพื่อที่เราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่มีเวลาได้ศึกษาอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่บวชกันเราก็จะไม่มีเวลาพอเพราะเราก็จะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองหาความสุข ทางตาหูจมูกเล้นกายกันเราก็จะมีเวลาน้อยมากที่จะมีให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจของพวกเรา อ, อย่างพวกเราก็จะมาศึกษากันได้ก็บางท่านก็เดือนละครั้งแล้วก็ศึกษา เพียงอย่างเดียวเวลาที่จะเอาไปปฏิบัติก็ไม่ทราบว่ามีบ้างหรือไม่มีบ้างบางท่านอาจก็จะมีบ้างก็ได้บางท่านก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่จะมีหรือไม่มีก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติเต็มที่เต็มรูปแบบนี่โอกาสที่จะหยุดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากายได้นั้นเป็นของที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าความอยากนี้มันทำงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดแต่การปฏิบัติเพื่อทำลายความอยากนี้เราหยุดเ้อมากกว่าทำอน่งนั้นการที่จะไปทำลายไปหยุดมันจึงไม่สามารถจะหยุดมันได้ถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเราทำเพียงเดือนละครั้งสองครั้ง เราต้องทําทุกวันเพราะความอยากมันทํางานอยู่ทุกวันเดินขึ้นมากามตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหามันก็ทํางานแล้วแต่การปฏิบัติของเราเราไม่ปฏิบัติอย่างตลอดเวลาเหมือนกับกามตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาเราก็จะไม่สามารถกำจัดมันได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตลอดเวลาเหมือนกับการทํางานของตัญหา เราก็จะกำจัดมันได้มันทำงานตั้งแต่มันลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่เราลืมตาขึ้นม า, าการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำลายความอยากนี้เริ่มต้นที่ตรงไหนก็เริ่มต้นที่สตินี่แหละเราก็ต้องเจริญสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปความอยากมันก็จะทำงานไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดบริกรรมพุทโธเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะทำงานทันทีนี่คือการต่อสู้ระหว่างธรรมกับกิเลสคือตันหาความอยากต่างๆเป็นเหมือนกับนักมวยคู่ต่อสู้บนเวทีถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ต่อยรับ ปล่อยให้เขาต่อยตลอดเวลาก็จะต้องแพ้เขาถ้าจะชนะเขาก็ต้องต่อยเขาตลอดเวลาอย่าปล่อยให้เขาต่อยเราตลอดเวลาถ้าเราปล่อยต่อยเขาตลอดเวลาเขาก็จะต้องแพ้เราอย่างแน่นอนแต่ในเบื้องต้นนี้เราคงจะไม่สามารถที่จะต่อยเขาได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ต่อยเขาบ้างก็อย่างดีพอลืมตามาก็พุทโธพุทโธไป นี่แสดงว่าเรากำลังต่อยเขาแล้วพอเวลาเราเผลอเราลืมพุทธโธก็เป็นเวลาที่เราปล่อยให้เขาต่อยเราบ้างพอเราได้สติกลับมาเราก็ต่อยเขาใหม่อต่อยกันไปต่อยกันมาอย่างนี้ยังพอมีโอกาสที่จะเอาชนะกันได้เบื้องต้นก็จะมีการเผลออยู่เรื่อยๆก็จะถูกเขาต่อยอยู่เรื่อย แต่ต่อไปมันก็จะเผลอน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่เผลอเลยจะเป็นมหาสติมหาสตินี่ก็คือไม่เผลอเลยต่อยตลอดเวลาพุทโธตลอดเวลาควบคุมความอยากตลอดเวลาเรียกว่ามหาสติเนี่ยแต่ถ้าร่มต้นนี้เป็นสติก็แบบล่มรูคุกขาดไปตั้งสติได้บ้างเผลอบ้าง เวลาเผลอก็ตันหาก็มาเอาไปกินเวลาได้สติกลับคืนมากดึงจิตกลับมาจากตันหา อ, อันนี้แหละคือการการปฏิบัติธรรมคือการต่อสู้ระหว่างสติกับตันหาความอยากในขั้นต้นเราต่อสู้ได้สติก่อนเพราะเรา ยังไม่มีปัญญาสติเราก็ยังไม่ค่อยมีเราจะสร้างทั้งสติสร้างปัญญาพร้อมกันนี้สร้างไม่ได้เราไม่มีกำลังพอที่จะสร้างปัญญาเเราจึงต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพื่อให้เรามีกำลังเมื่อเรามีกำลังแล้วต่อไปเราก็สร้างปัญญาขึ้นมาพอเราสร้างปัญญาได้ทีนี้เราก็จะสามารถที่จะกาจัดตัณหาความอยาก ได้อย่างราบคาบถ้าเราใช้สติกำจัดก็จะเป็นการกำจัดแบบชั่วคราวเกณฑ์การหยุดความอยากไว้ชั่วคราวเวลามีสติเวลาเผลอสติความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีปัญญาพอเราหยุดืดเราตัดมัน ความอยากได้แล้วความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาอีกความอยากนั้นจะตายอย่างถาวรจะตายก็ต้องตายด้วยปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้ใจต้องมีความสงบมีกำลังมีอุบเบกขาก่อนและสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสงบมีอุบเบกขาก็คือสตินี่เองเราจึงต้องจเจริญสติกันอย่างต่อเนื่อง ถึงต้องถึงต้องบวชกันจะได้มีเวลาจะรันสติอย่างต่อเนื่องถ้าไม่บวชนี้เราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็จะต้องลอยไปกับคนนั้นคนนี้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่สามารถควบคุมใจของเราให้อยู่นิ่งเฉยเฉยให้สักแต่ว่รู้ได้ พอปล่อยให้ลอยไปกับเรื่องนั่นเรื่องนี้กิเลสตัณหามันก็จะแทรกเข้ามาตามเรื่องต่างๆทันทีอย่าการที่เรายัางต้องทําภารกิจการงานอยู่นี้จึงเป็นอุปสรรคมากต่อการปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบจึงรู้ว่าจําเป็นจะต้องออกจากงานจําเป็นจะต้องออกบวช เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าถ้าจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้จำเป็นจะต้องต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบต่อสู้ตลอดเวลาถ้ายังต้องไปทำภารกิจการงานอย่างอื่นก็จะไม่สามารถมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ตลอดเวลาแล้วพอไม่ได้มาต่อสู้ มัวแต่ไปทาภารกิจการงานอย่างอื่นกิเลสตัณหามันก็จะแอบแอบแอบออกมายุ่งเกี่ยวกับภารกิจการงานต่างๆที่เรากำลังทำอยู่แทนที่จะกำจัดกิดเลสตัณหาก็เป็นการส่งเสริมให้กิเลสตัณหาได้ออกมาเพ่นพ่านกันผู้ที่เห็น การทำงานของกิเลสตันหาและเห็นเห็นผลของการทำงานของกิเลสตันหาก็จะรู้ว่าการทำงานทำการนี้มันไม่ได้เป็นการกำจัดมันมีการเป็นการส่งเสริมกิเลสตันหาทำให้จิตใจต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆวุ่นวายไปกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดงนั้นวิธีที่จะกำจัดความวุ่นวายต่างๆก็ต้องหยุดภารกิจการงานต่างๆ ที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ก็ต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวไปออกบวชการออกบวชก็คือการไปปีกวิเวกนี้เพื่อที่จะได้ไปอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำภารกิจการงานต่างๆไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆพอไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับ สิ่งต่างๆาใจก็จะได้มีเวลาม า, าหยุดความอยากมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องอพอลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติได้เลยพุทโธพุทโธไปควบคูค่กับการทำภารกิจที่จำเป็นเช่นถ้าเป็นนักบวชก็เตรียมตัวเตรียมตัวออกบบญทบาทถ้ายังไม่ถึงเวลาบิณทบาทก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปก่อน นักบวชนี้มักจะตื่นแต่เช้ามืดตีสองตีสามก็จะตื่นขึ้นมาเมื่อยังไม่ได้ถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ออกมาเดินจงกรมเดินยองกรมสลบับกับการนั่งสมาธิควบคุมตัณหาความคิดความอยากต่างๆให้จิตสงบให้จิตนิ่งให้จิตเป็นอุเบกขาให้จิตมีความสุขจากการอยู่คนเดียว อยามีความสุขก็ต้องทำใจให้สงบแล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงถ้าได้ความสุขจากความสงบก็จะทำให้สามารถสู้กับตันหาความอยากที่อยากจะหลอกให้ไปหาความสุขแบบเดิมคือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะความสุขจากบุคคลนั้นบุคคลนี้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ก็จะสามารถอยู่เป็นนักบวชไปได้สามารถปฏิบัติในลําดับต่อไปได้คือในระดับปัญญาถ้ายังไม่ได้ความสงบนี้เวลาเผลอเมื่มอไหรน่นี้ความอยากมันจะมาหลอกมาล่อให้กลับไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญให้กลับไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วถ้าไม่สามารถระงับมันได้ควบคุมมันได้ ดีไม่ดีก็จะต้องลาสิกขาไปกลับไปหาความสุขแบบเดิมเพราะไม่สามารถมีความสุขได้ได้ด้วยการอยู่ตามลำพังอยู่แบบนักบวชเพราะยังไม่สามารถทำใจให้สงบได้นั่นเองจึงจําเป็นอย่างยิ่งในเบื้องต้นนี้จะต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อนทาใจให้มีความสุขกับ ก, บการอยู่ตามลาพังให้ได้ก่อนพะอยู่ มีความสุขกับการอยู่ตามลพาพังได้แล้วก็จะมีกำลังใจทีจ่จะเจริญปัญญาต่อไปจะพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อมาทำลายความอยากให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรเพราะความอยากนี้จะหมดได้ก็ต้องหมดด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานี้จะไปทำลายรากเงาของตัณหาความอยากรากของรากเงาของความอยากคืออะไรก็คือโมหะอวิชชา ความหลงความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ความจริงว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่รู้ความจริงว่าความไม่อยากนี้เป็นต้นเหตุของความสุขใจนีพอมีปัญญามาสอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงอันนี้หลังจากที่ได้ทรงทำลายความอยากให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ได้ส่งพบกับบรมสุขปรมังสุขขังเจต ท, ที่ปราศจากความอยากนี้เรียกวันนิพพานเป็นจจต ท, ที่มีความสุขอย่างยิ่งเป็นเป็นบรมสุขเป็นปรมังสุขขังเราก็ต้องเอาความจริงอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบนี้มาสอนใจเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาก็สอนใจให้รู้ว่าอย่าทำตามความอยากไปนันค่ะ พอทำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์การที่จะมีความสุขก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องฝืนความอยากอย่าไปทำตามความอยากโดยเด็ดขาดพยายามทำใจให้สงบเอาความสงบสู้กับความอยากไปแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากก็จะหมดกำลังไปพอมันหมดกำลังแล้วใจก็จะสงบจะสบายโดยที่ไม่ต้องบังคับให้มันสงบ ตอนที่บังคับก็คือต้องใช้สติเช่นใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้มันสงบเวลามันเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราไม่ใช้มันก็จะดิ้นไปตามความอยากมันจะยิ่งอยากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องใช้สติคือคําบริกรรมพุทโธพุทโธนี้หยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้ใจเราก็เบาสงบะแล้วเราก็จะรู้ว่า การไม่ทําตามความอยากนี้เป็นการนําไปสู่ความสุขถึงแม้ว่าช่วงที่ต่อสู้มันจะทุกข์ทรมานมากก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงชั่วงคราวพอความอยากมันยอมแพ้มันหยุดทํางานความทุกขรมานใจก็จะหายไปแล้วความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปถ้าเราทําลายความอยากด้วยปัญญา คือรู้ว่าการกระทำตามความอยากนี้เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสู่ระ ง, งับความทุกข์ซึ่งมันจะระ ง, งับก็จะระ ง, งับช่วงช่วงตอนที่เราทำตามความอยากเท่านั้นเวลาเราอยากได้แล้วเรารู้สึกทุกข์ใจพอเราได้ทำตามความอยากเราก็รู้ความทุกข์ใจนั่นก็หายไปแต่มันหายไปไม่นานเดี๋ยวความอยากเดิมก็จะกลับมาใหม่แล้วความทุกข์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นมา มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไปทำตามความอยากเพื่อเพื่อระงับดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ถ้าเราร ะ, ะงับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากด้วยการไม่ทำตามความอยากปล่อยให้มันอยากไปปล่อยให้มันทุกข์ไปเดี๋ยวมันหมดกำลังแล้วมันก็จะหายอยากหายทุกข์ไปเองเราจะทนสู้กับมันได้ก็ต้องมีสติคอย บริกรรมพุทโธพุทโธไปคอยอคอยคอยทําใจให้สงบคอยห้ามใจไม่ให้ไปทําตามความอยากอพอเราสามารถห้ามใจได้ต่อไปความอยากมันก็หมดฤทธิ์หมดเดชแล้วมันก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กับใจเราอีกต่อไปออย่างถ้าเราทํา ปฏิบัติกับความอยากแบบนี้ทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอยากทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายไม่ว่าความอยากเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญแล้วเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา<ม>ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วความอยากมีความสุขกับการร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้เราต้องฝืนมันให้หมด เราต้องไม่ทำตามมันให้หมดด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญาแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเมื่อหมดแล้วใจเราก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาเรียกว่าเป็นบรมสุขปรมังสุขขังนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอนานตสาวมทั้งหลายที่ท่านรู้ว่าการทำตามความอยาก เป็นการสร้างความทุกข์ใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจต้องไม่ทําตามความอยากต้องละตัณหาละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสละความอยากมีอยากเป็นละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือละความอยากสุขละความอยากไม่ทุกนี่เอเมื่อเราละมันได้หมดแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ได้มาหยุดความอยากกันเรามีแต่มาทำตามความอยากกันอยากไปเที่ยวเราก็ไปกันอยากจะดูเราก็ดูกันอยากจะฟังเราก็ฟังกันอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นเราก็ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นกันอยากจะสัมผัสกับ สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เราก็สัมผัสกันเรากาลังทำตามความอยากกันตลอดเวลาแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดได้อย่างไรในเมื่อเหตุของการมาเกิดไม่ได้รับการกาจัดเมื่อไม่ได้รับการกาจัดการเกิดก็จะต้องมีตอบต่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วถ้ามีการเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกัน นี่แหละคือเหตุว่าทำไมเราเกิดมาทำทำไมเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อมาเจริญทานศีลภาวนาเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้และเราจะไม่มีเครื่องมือ เพราะไม่มีใครรู้เครื่องมือของการกำจัดการมาเกิดนี้เป็นอะไรนั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปกำจัดความอยากเพื่ออะไรเ็จะเห็นว่าความอยากนี้มันทำให้เรามีความสุขกันเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันพอเราได้มาเราก็มีความสุขกันเราก็จะไม่คิดว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กัน แล้วกลับจะเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความสุขกันแทนที่เราจะมากำจัดความอยากกันเราก็กลับมาส่งเสริมความอยากกันอส่งเสริมเอาให้คนนั้นเขาอยากเขาอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็หาสิ่งที่เขาอยากได้มาให้เขาเอแทนที่จะไปขัดใจเขาอกลับไปตามใจเขาเอเขาก็เลยก็เลยยิ่งอยากได้ขึ้นมาใหญ่พอได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างนั้นต่ออยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ย พอตายไปก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือเรื่องปริศนาของชีวิตของพวกเราที่เราจะได้คำตอบจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้คำตอบและเราอาจจะไม่รู้คำถามเสียด้วยซ้มไปว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาได้อย่างไรเราก็จะ หาความสุขด้วยการทําตามความอยากไปเรื่อยๆนั่นเองแล้าตราบใดที่เราสามารถหาความสุขได้เราก็ไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องมากังวลกับเรื่องอะไรเราจะมากังวลก็ต่อเมื่อเรามาเจออุปสรกคือไม่สามารถทําตามความอยากได้ตอนนั้นน่ยถึงอาจจะทําให้เรามาคบคิดว่าเราเกิดมาทําไม เป็เวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปหรือสิ่งที่เรารักไปแล้วเราอยากให้เขาไม่จากเราไปเราก็จะทุกข์มากเราก็จะเสียมาเสียใจมากจนถึงกับไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะอยู่ต่อไปความทุกข์ทรมานใจนี้มันมันแสนสาหัสจนทําให้ต้องถามตัวเองขึ้นมาว่าเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้เกิดมาทําไมกันอันนั้นแหะคนเรา มักจะมีปัญญาก็ตอนที่มีความทุกข์กันอย่างที่โบราณท่านพูดว่าปัญญาเกิดทุกข์บ่เกิดปัญญาบ่มีถ้าไม่มีความทุกข์มันก็จะไม่คิดอย่างว่าเอ้ยเราเกิดมาทําไมเราทําไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนั้นทําไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนี้เวลาสุขมันจะไม่ถามเพราะเวลามันสุขมันสบายมีความเพลิดเพลินมันก็อยากจะให้สุขไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียว แต่พอมันไม่สุขเท่านั้นแหะมันถึงจะเกิดคาถามขึ้นมาว่าเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้เกิดมาทําไมแต่ตอนนั้นมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้เพราะบางทีก็จะคิดเพียงอย่างเดียวถ้าทุกข์มากๆกก็ฆ่าตัวตายดีกว่าจะได้หมดทุกข์ไปแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาของความทุกข์ใจอยู่ดีเพราะความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจาก ร่างกายมันเกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจต่างหากถ้าอยากจะฆ่าต้องมาฆ่าความอยากที่มีอยู่ในใจเช่นตอนที่เราทุกข์เพราะเราสูญเสียคนที่เรารักไปที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราไม่อยากให้เขาจากเราไปนั้นเองเราต้องฆ่าตัวนี้ฆ่าความอยากที่อยากให้เขากลับมาหรืออยากให้เขาไม่ไปจากเรานต่นเขาไปแล้วถ้าเราก็ทำยังไงเขาก็กลับมาไม่ได้ อยากไปก็ทุกไปเปล่าๆถ้ายอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วกลับมาไม่ได้เราอยากไปอยากถ้าอยากแล้วเราจะทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขากลับมาหรือเราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่เขาไปแล้วแล้วเขาจะไม่มีวันกลับมาถ้าเราได้ปัญญาเราก็อาจจะหยุดความอยากได้ยอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วเขาจะไม่มีวันกลับมา เราอยากไปก็จะทุกไปเปล่านี่คือการฆ่าฆ่าฆ่าตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือฆ่าความอยากอยากไปฆ่าร่างกายเวลาเราทุกข์แล้วเราคิดจะฆ่าตัวตายนี้เรากำลังไปฆ่าผิดคนคนที่เขาไม่รู้อิเหนวอิโนอิเหนะอย่าไปฆ่าเขาเขาไม่ได้เป็นตัวการตัวที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ ก, ก็คือตัณหาความอยาก เราต้องไปฆ่าตัวนี้ฆ่าตัวนี้ด้วยการยอมรับความจริงความจริงว่าการสูญเสียการพัดพาคจากการนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครจะห้ามได้ไม่มีใครจะล่วงพ้นไปได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาคจากการเป็นธรรมดาถ้าอยากให้ไม่พัดพาคก็จะทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องอย่าไปอยากไม่ให้มีการพัดพลากจากกันต้องยอมรับการพัดพลากจากกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปก็ไปจากกันก็จากกันไปถ้ า, าย่าอยากมีใหม่ก็ยังหาได้อยู่ไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้มีคนเป็นเป็นล้านเป็นพันล้านทำไมจะหาคนใหม่มาแทนาคนเก่าไม่ได้นอกจากว่าถ้าเข็ดไม่เอาแล้วดีกว่าก็ไม่ต้องหาแล้ว ถ้าไม่หาถ้าไม่มีก็จะต้องไม่ก็จะไม่มีการพัดภาคจากกันอถ้าคิดแบบปัญญาก็บอกพอแล้วถ้าเสียคนนี้ไปแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วไม่หาใหม่แล้วหาใหม่ก็กลับมาเป็นประวัติซ้ํารอยอีกเดี๋ยวก็ต้องพัดภาคจากกันอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกทรมานใจกันอีกนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ มาหยุดความอยากต่างๆอย่างถาวรแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็เอาสตินี้ไปใช้ไปก่อนก็ได้เวลาทุกข์กับเรื่องอะไรก็ให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เดี๋ยวพอเราลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ความทุกข์ก็จะหายไปเพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะหยุดทำงานไปชั่วคราวแต่พอเรากลับมา คิดถึงเรื่องนั้นอีกเราก็อาจจะทุกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะให้ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเกิดเห็นด้วยปัญญาว่าอ๋ อ, อที่เราทุกนี้เพราะความอยากของเรานี่พอ <cockpit> ตอนที่เราไม่คิดถึงเขาความอยากไม่ไม่ทํางานเราก็ไม่ทุกพอเรากลับมาคิดถึงเขาความอยากก็กลับมาอีกเราก็หยุดความอยากเสียกันแล้วกันถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงเรื่องนั้นอีกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นอีก คิดยังไงมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้เพราะเราหยุดความอยากได้นี่คือการมาหยุดความอยากต่างๆต้องหยุดด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องศีลของนักบวชนะเพื่อที่จะได้มีเวลาจเจริญสมาธิจเจริญสติได้ตลอดเวลาเพื่อให้ใจสงบได้ตลอดเวลาพอใจมีความสงบแล้วก็จะมีความสุข ก็จะอยู่ปฏิบัติต่อไปได้ปฏิบัติปัญญาได้จเจริญปัญญาได้พอได้ปัญญามาทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปก็จะอยู่แบบนักบวชไปได้ตลอดจนวันตายแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอก็จะอยู่ที่ นิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวกนี่แหละคือคำตอบว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันถ้าปฏิบัติได้เต็มรูปแบบแบบนัก บ, บวชก็จะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ต่าง ให้หมดไปจากใจได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยบางคนก็หยุดได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราคําตอบที่พระุทธเจ้าให้คําตอบกับพวกเราว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อหยุดความอยากเกิดมาเพื่อหยุดการมาเกิดการจะหยุดการมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมออกบวชศีลสมาธิปัญญานี่คือคำตอบของชีวิตของพวกเราถ้าเราได้คำตอบแล้วเรานํา อ, อกไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลจากการปฏิบัติเราก็จะได้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวนะ แล้วเราก็จะได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนําเอาคําตอบนี้ไปพิจารณากันเพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านทด่ต้องการถามคำถามขอปรุณาให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะของดตอบปัญหาต่างๆถ้าใครต้องการถามก็ขอให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน แต่ตอนนี้วันนี้มีญาติโยมจากประเทศมาเลเซียมาประมาณสักสิบท่านอยากจะถามปัญหาก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้ถามก่อนช่วยส่งไมโครโฟนอยู่ใกล้ยังมาเลยไ้ยวันเราอยู่ใกล้นานๆจะมาทักที ชอบไปไ ก, กลๆไกลๆชอบไปญี่ปุ่นไปเกาหลีวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่อช่วงที่เยอะ260ค่ะตอนนี้เหลือ160ค่ะแล้วเสีหายไปช่วงที่สมรยตั <c oughs> ถ้าวันธรรมดาจะเยอะ วันเสาร์อาทิตย์คงไปเที่วรักกันนะอันนี้สัญญาณขดุดมาช่วงเนีที่นี่กันยูทูบยี่สิบคนคะ่ะมีคำถามอะไรั้ม ค, คำถามจากผู้ฝากถามที่ศาลานะคะถ้าหากเราหยิบของผิดไปคือไปหยิบของคนอื่นโดยที่ไม่ได้เจตนาและเราก็ได้นำสิ่งนั้นไปใช้จนหมดแล้ว <c oughs> โดยที่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าหยิบผิด เราต้องบอกเจ้าของไหมคะว่าเราเป็นคนหยิบใบและจะต้องไปซื้อมาคืนไหมคะถ้าเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วเราสามารถทดแทนของที่เราใช้ไปได้ก็ควรจะทําถ้าหาของไม่ได้ก็ควรจะใช้เงินทองทดแทนคืนเขาไปแต่ถ้าเขาไม่รับเขายินดีจะให้เราก็ก็อนุโมทนาขอบคุณเข้าไปแต่เราก็ต้องระมัดระวังต่อไป mm hmm. การจะทําอะไรนี้จะไปหยิบของใครนี้เราต้องรู้สั ก, ก่อนว่าเป็นของเราหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ของเรานี่เราอย่าไปหยิบถ้าเราจะหยิบต้องถามก่อนว่าใครเป็นเจ้าของขออนุญาต จ, จากเจ้าของเขาก่อนะความคิดปรุงแต่งจากาความคิดปรุงจากสิ่งภายนอกและความคิดปรุงจากภายในแตกต่างกันอย่างไรการปฏิบัติต่อความคิดทั้งสองอย่างควรจะทําอย่างไรเพื่อการไม่ทุกข์มันก็ความคิดตรงแต่งเหมือนกันนะ่ะคิดเรื่องภายนอกคิดเรื่องภายใน มันก็ปรุงแต่งไปสองทางปรุงแต่งไปทางธรรมหรือปรุงแต่งไปทางกิเลสถ้าปรุงแต่งไปทางกิเลสก็ทุกข์ถ้าปรุงแต่งไปทางธรรมก็ไม่ทุกข์เช่นปรุงแต่งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ไม่อยากได้ไม่อยากมีมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าปรุงว่าเป็นของเราก็อยากได้อยากให้อยู่กับเราพอเขาจะไม่อยู่กับเราเราก็จะทุกข์ คำถามจากเฟ e บุ o กไลฟ e นะคะคำถามจากดรพิสิทธ์ความตั้งใจความรับผิดชอบหรือความอยากในการทำดีต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของความอยากหรือไม่เพราะในท า, ทางโลกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เป็นสาเหตุแห่งทุกข์เช่นกันคือความอยากมันก็มีสองส่วนความอยากที่ดีกับความอยากที่ไม่ดีคือความอยากไม่ดีก็คืออยากแล้วทาให้เราทุกข์ใจอยากแบบนี้ก็ไม่ดี แต่ความอยากแล้วทำให้เราสุขใจอยากแบบนั้นก็ดีเช่นอยากทาบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้เรามีความสุขใจหลังจากที่เราได้ทําแล้วความอยากเหล่านี้ก็ดีควรจะส่งเสริมแต่ความอยากที่ทำให้เราทุกข์ใจเราก็ควรจะระงับมันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตาอย่างนี้ แล้วเวลามันไม่ได้มันก็เสียใจมันก็ทุกข์ใจได้มาก็กังวลใจกลัวว่ากัวกลัวว่ามันจะหมดขึ้นขีดหลังเสือแล้วก็กลัวจะตกหลังเสือยิ่งความอยากแบบนี้ไม่ดีอย่าไปอยากมันคำถามจากคุณจิราพาัฒ การตอบแทนคุณพ่อแม่ในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องทำมากแค่ไหนจึงจะถือว่าได้ตอบแทนคุณแล้วทั้งกรณีพ่อแม่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วครับคือมันก็อยู่ที่เหตุการณ์อยู่ที่ความสามารถของเราด้วย mm. คือหนึ่งบางทีพ่อแม่เขาอยู่ในฐานะที่ก็เราไม่ต้องช่วยเหลือเขาไม่ต้องดูแลเขาเลยหรือเราอยู่ในฐานะที่เราไม่ไม่สามารถ ดูแลเขาได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์แต่ถ้าถ้าเป็นปกติทั่วๆวไปสมมติว่าเราช่วยเหลือพ่อแม่ได้แล้วพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องตอบแทนไปเราจะตอบแทนได้ดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณอัน ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ได้อย่างที่พระเจ้าทรงตัดว่าต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการแบกท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอุจจาร ะ, ะปัสสาวะใส่เราไปจนถึงวันตายของท่านบุญคุณที่ท่านมีกับเราก็ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้ทดแทนบุญคุณให้ของท่านให้หมดได้นี่ก็ต้องทำให้ท่านพ้นจากบายให้ได้คือทาให้ท่านเป็นพระโสดาบันนั่นเอง อั่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทมกับพระพุทธมารดาที่ท่านทรงไปโปรดแสดงธรรมอยู่ที่สวรรค์เหน่อพันสาจนพระพุทธมารดามีดวงตาเห็นธรรมดุดพ้นจากการที่จะไปเกิดในอบายและมีภบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พระบิดาท่านก็ช่วยให้เสด็จให้บรรลุพระนิพพานได้เจ็วันก่อนจะเสด็จสวรคตเนี่ยพระมารดาเลี้ยงก็ให้บวชเป็นภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ลูกก็จับมาบวชเป็นสนัมเนแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพระแมาเสีนี่ไม่ได้ศึกษาไม่ทราบว่าได้บรรลุหรือเปล่า นี่คือการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าของพระหลานตระสาวทั้งหลายเขาจะพยายามทดแทนที่จิตใจเป็นหลักถ้าทำได้ถ้าพ่อแม่พร้อ ม, อมที่จะรับคาสอนแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่มืดบอดไม่สามารถรับคำสอนได้ก็ช่วยทางร่างกายไปช่วยเลี้ยงดูร่างกายของท่านให้ท่านอยู่อย่างเป็นปกติสุขคําถามสกคุณวิไล สีนแปดข้อไม่นั่งนอนในที่นอนอันสูงใหญ่ถ้านอนบนเตียงผ้าใบซึ่งผ้าตึงแต่ทำให้นอนแล้วอ่อนนุ่มจะผิดสีไหมคะคือไม่ต้องการให้นอนสบายนอนสบายกลจะนอนมากให้นอนพอประมาณคือพอกับความต้องการของร่างกายวกติร่างกายถ้างม่อวางมากๆก็จะนอนบนพื้นใหนก็ได้ เราก็จะหลับไม่นานประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อการพักผ่อนแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาหนาบนบนที่นอนที่สบายพอมันร่างกายได้พักผ่อนเตื่นขึ้นมาแต่ใจยังอยากจะนอนต่อก็จะไม่ลุกก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็จะสูญเสียเวลามีค่าที่จะ เ, เอามาใช้ในการปฏิบัติไป ท่านถึงไม่อยากให้นอนแบบสบายความสุขที่เกิดจากการนอนสู้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้ คำถามสากคุณพนมพรคนเราเกิดมาเพราะกรรมใช่ไหมครับคิดพูดทำเพราะกรรมนำพาไม่หรอกเกิดเพราะตัณหาความอยากวันนี้เทศมาทั้งวัน ท, ท, ทั้งเรื่องแต่กรรมเป็นพูดที่จะทำให้ไปเกิดสูงหรือต่อถ้าทำบุญก็ไปเกิดสูงถ้าทำบาปก็ไปเกิดต่ำแต่ถ้าไม่มีความอยากตอให้ทำบุญหรือทำบาปมากมายก็ไม่ไม่ไปเกิดทุกที่เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ ถึงแม้ท่านเคยจะทำบุญมามากขนาดไหนทำบาปมามากขนาดไหนท่านก็ไม่เกิดองคุลิมานี่ฆ่าคนตั้ง้าอย9 9คนพอเป็นผ้าอาหารแล้วก็ไม่ไปเกิดอีกแล้ว คำถามจะคุณนาวรัตน์ลูกชอบไปทำบุญตั้งโรงทานกับเพื่อนๆนแต่สามีของลูกไม่ทำและไม่ชอบไปบางครั้งคอยจับผิดและว่าให้ลูกพยายามไม่ใส่ใจแต่อดที่จะเคืองไม่ได้คำถามเขาคิดแบบนี้เขาบาปไหมคะและลูกจะได้บุญเต็มที่ไหมคะคำคิดนี้ยังไม่ได้เป็นการกระทำบาปการกระทำบาปต้องต้องทำผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่ง เช่นลักทรัพย์หรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเขาเพียงแต่คิดนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นอกุศลคือเป็นความคิดที่ไม่ได้ทำให้จิตใจเขาจเจริญเป็นการคิดที่ทำให้จิตใจเขาเสื่อมยังไม่บาปส่วนบุญที่เราทำนี้คนอื่นก็จะคิดอย่างไรไม่สามารถมาเพิ่มหรือมาลดบุญของเราได้บุญของเราเราทาเท่าไหร่เราก็จะได้เท่านั้น คำถามสักคุณมานิดานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตกจากที่สูงตกใจกลัวมากไม่กล้านั่งต่อแก้ไขปัญหาอย่างไรคะก็ทำค้างว่าใจว่าเวลาตกลงมามันจะมีเบาลองนับอยู่จะไม่เจ็บป่อยให้มันตกลงไปแล้วจะสบายจะร oh ้างโอ้โหดีเหลือเกิน <laughs> ต่อไปก็ให้ประครับประครองสติให้รู้เฉยเวลามันจะตกก็ปล่อยมันตกไปอย่าตกใจ ให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะร้องอ๋อสบายเหลือเกินสุกหนอสุกหนอข้อที่สองในการปฏิบัติการรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ควรปฏิบัติอย่างไรก็ให้มีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปใครด่าก็พุทโธพุทโธไปใครชมก็พุทโธพุทโธไปใครทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปเราก็จะรู้เฉยๆได้ โดยที่ไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบกับสิ่งที่เราไปรับรู้ไปเห็นเขา้าคําถามจากคุณกรมลทิตการทําประกันชีวิตจําเป็นต้องทําใหมคะเพื่อที่คนข้างหลังจะไม่ลําบากพุทธศาสนาก็มีขายประกันชีวิตอยู่แล้วถ้าจะทําประกันชีวิตทํากับพุทธศาสนาดีกว่ารับรองได้ไม่ตายแน่นอนถ้าทาประกันกับพุทธศาสนาเพราะจะไม่กลับมาเกิดนั่นเอง มันก็ไม่กลับมาเกิดก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <laughs> พุทธศาสนาได้ขายประกันสองชนิดมีทั้งประกันภัยมีทั้งประกันชีวิตอประกันชีวิตก็เนี่ยให้ปฏิบัติจนดุดพ้นจากการตัดความอยากต่างๆก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปพอไม่เกิดก็ไม่มีวันตายะส่วนประกันภัยก็ให้ทําบุญรักษาสีลห้าไปตายไปก็ไม่ไปอบายเนี่ยรับประกันไม่ตายแล้วไม่ไปไม่ไปอบายก็ มีประกันสองแบบประกันภัยกับประกันชีวิตถ้าประกันชีวิตก็ต้องบวชต้องบวชศีลสมาธิปัญญาก็จะประกันชีวิตจะไม่กลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ายังบวชไม่ได้ก็ซื้อประกันภัยไปก่อนถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดก็จะตายไปแล้วจะไ้ไม่ไปเกิดนาบาย คำถามสากคุณอิสริยาภรณ์ดิฉันฟังธรรมจากอาจารย์หลายๆพระองค์แต่ดิฉันถูกเพื่อนต่อว่าว่าไม่ควรนํำคําสอนของพระอาจารย์ท่านอื่นมาฟังควรจะฟังรูปเดียวกับเพื่อนๆดิฉันตอบไปว่าพระอาจารย์เราสามารถมีหลายท่านได้พระธรรมก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพื่อนก็ไม่พอใจขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะคือถ้าธรรมมันไม่ขัดกันก็ฟังได้ถ้ามันขัดกันก็อาจจะทําให้เราสรับสนได้ นอกจากเรามีปัญญาที่จะแยกแยะได้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ในที่สุดเราฟังแล้วเราก็อยากจะฟังคนเดียวดีกว่าเพราะถ้าฟังแล้วได้รับประโยชน์เราสามารถตอบคำถามตอบความตอบสนองความต้องการต่างๆของเราได้หมดล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟังจากหลายๆคนแต่คนที่เราฟังยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้หมดเราก็อาจจะต้องไปหาอาจารย์ใหม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องหาอาจารย์ใหม่ เมื่ออาจารย์ที่ท่านศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้หมดเนี่ยท่านก็ต้องไปแสวงหาอาจารย์ใหม่แต่แสวงหาไม่ได้ท่านก็เลยต้องเป็นอาจารย์ของท่านเองหาคําตอบด้วยตัวของท่านเองอีกสองข้อนะ คำถามจาก Facebook l i ฟ e จากคุณย่าหญิงเส้นทางที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ได้โ ส, โสดาบานควรทำอย่างไรคะก็เนี่ยพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไม่ต้องไปยุ่งกับมัน คำ ถ, ถามจากคุณอยู่ในใจธรรมะกับการค้าขายจะอยู่กันอย่างไรคะเพราะว่ายังมีหน้าที่รับผิด ช, ชอบอยู่คะ่ะก็อยู่ได้ก็ธรรมะก็คือศีลธรรมไงธรรมะค้าขายเราก็ต้องมีศีลธรรมมีซื่ความซื่อสัตย์สุจริตอย่าคดอย่าโกงแล้วการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราค้าขายด้วยการคดโกงนี่เราก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันได้ธรรมะมีหลายระดับด้วยกัน มีไห ม, มอ่ามีก็ถามเปไ็นเรื่องๆก่อนก็ได้ค่ ะ, ะคำถามจากคุณฟาสฟาเสทำบุญที่ถูกต้องควรทำอย่างไรคะก็ทำเพื่อให้ใจมีความสุขทำเพื่อให้ผู้รับได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องไปทวงบุญคุณไม่ต้องไปอ่าไปยุ่งกับของที่เราให้เขาแล้วไม่ต้องไปบอกให้เขากินหรือไม่กิน <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเราท ำ, ทำบุญแบบปล่อยวางอย่าทำบุญแบบเป็นเจ้าขี้เจ้าการเจ้านายสั่งเมื่อกี้ก็มาสั่งว่ากินยานี่แล้วน้องกินแเอ อย่างนี้ไม่ใช่วิธีทำบุญทำบุญก็ให้เขาไปแล้วแล้วก็ถ้าต้องให้เขารู้ว่าทำยงไนก็เขียนอะไรไว้ในของที่เราการก็พอแล้วส่วนเขาจะเอาไปใช้ไม่ใช้เอาไปกินไม่กินเป็นเรื่องของเขาเราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วคือได้ช่วยเหลื อ, ขอเขาแล้วให้ของที่เราคิดว่าดีแล้วเป็นประโยชน์กับเขาแล้วส่วนเขาจะได้ประโยชน์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเขา คำถามเจคุณอ้อวิธีการปฏิบัติธรรมสาหรับคนป่วยโรคสมองเสื่อมควรทําอย่างไรคะเอะถ้าเสื่อมก็อย่าไปปฏิบัติเล <laughs> ขนาดไม่เสื่อมยังไม่ปฏิบัติเลย <laughs> <laughs> คำถามเจคุณพิมพ์แคนเคยไปทําบุญถ้าเราถวายปัจจัยไปแล้วก่อนทําปลื้มในบุญพอหลังจากทามีเหตุให้ไม่ปลืม้มก่อนเท่าก่อนที่จะทําแบบนี้เราได้บุญหรือไม่คะ ถ้าไม่ปลื้มก็ไม่ได้บุญนะ <c oughs> เราทำแล้วเราต้องปล่อยเราอย่าไปคิดถึงมันทำแล้วเราคิดว่าเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในขณะนั้นแล้วต่อมาถ้าข้อมูลนันเปลี่ยนไปเราก็อย่าไปสนใจกับข้อมูลใหม่เราถือว่าเราทำบนพื้นฐานของข้อมูลเก่าส่วนข้อมูลใหม่ก็เป็นสิ่งที่เราจะามาใช้พิจารณาในโอกาสต่ตอไป โอกาสต่อไปถ้าเราคิดว่าข้อมูลใหม่นี้ทำให้เราไม่สมควรจะทำบุญเราก็อย่าไปทำกับเขาแต่เราอย่าไปเสียใจเพราะมันจะทำให้บุญที่เราทำมันหายไปได้คำถามสักคุณเลิฟ พอนั่งสมาธิพุทโธไปสักระยะรู้สึกหัวหมุนแล้วภาปนาต่อไปการหมุนก็หยุดรู้สึกสงบแล้วนั่งไปรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจใจเต้นรวัวภาวนาต่อไปรู้สึกเหมือนใจวิวเหมือนลงจากที่สูงแล้วก็ถอนสมาธิออกมาควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะ เวลานั่งมันต้องมีพุทธโธแล้มีอะไรกำกับใจอย่าไปดูอย่างอื่นให้อยู่กับพุทธโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่าไปดูหัวใจเต้นอย่าไปดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะภาวนามันจะทำให้เราเอา่อว้งควางได้มันไม่สงบเราควรจะมีอะไรกำกับใจจะดีกว่านั่งไปกับพุทธโธพุทธโธไปเวลามีกาการอะไรก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุทธโธ แล้วเดี๋ยวอาการต่างๆก็จะหายไปเวลาใจสงบแต่ถ้าไม่มีพุทโธมันจะไม่สงบแล้วมันก็จะมีอาการต่างๆเหล่านี้หลอกเราไปหลอกเรามาแล้วเราก็จะไปไปไม่ถึงไหนเหมือนเหมือนว่ายน้ําอยู่ในอ่างถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องมีอะไรกํากับใจเช่นลมหายใจหรือพุทโธพุทโธไปหมดหรือยังยังมีค่ะมีกี่ครับประมาณห้าหกคออ้าวทำมา คำถามข้อกันแล้วกันค่ะคำถามจากคุณพัสดาเราสวดมนต์ให้สามีและลูกๆให้ได้บุญจากที่เราได้สวดมนต์นี้แต่บางท่านว่าสามีและลูกๆไม่ยกมือขึ้นสาธุพวกเขาก็จะไม่ได้บุญไม่ได้หรอกการสวดมนต์นี่ของใครของมันเหมือนการกินข้าวใครกินใครก็ได้ใครไม่กินก็ไม่ได้ อย่งน you ีก well, ็สบายเลยให้คนอื่นนอนเรานอนได้คนอื่นก็สวดให้เราเอนไม่ได้หรอกของใครของมันต้องทําเองเรื่องของบุญนี้ต้องทําเองคําถามจากคุณลอยตอนบวชเป็นพระประมาณห้าอาทิตย์ไม่ได้ศึกษาข้อวัดวินัยอย่างเข้าใจทบทวนไปแล้วน่าจะทําผิดศีลหลายข้อพระอาจารย์มีข้อแนะนําอย่างไรครับก็บวชใหม่คราวหน้าก็ศึกษาให้เราให้ระมัดระวังมากขึ้นอืม คำถามจากคุณชวนคนที่ลอมละลายทางกฎหมายสามารถบวชพระได้ไหมครับอันนี้ต้องไปถามคนที่เขรับบวช ด, ดูเพราะเราไม่ได้ทําหน้าที่นี้เราเลยไม่ได้ศึกษาไรายละเอียดคําถามจากคุณประภาพรเพชครวาาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดสามารถบรรลุอรหันต์ได้หรือไม่หรือต้องบวชเท่านั้นเจ้าค่ะถ้ามันแล้วแต่บวชแล้วแต่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยไงถ้าปฏิบัติเครึ่งเดียวมันก็ได้เครึ่งเดียว ถ้าปฏิบัติเต็มร้อยมันก็จะได้เต็มร้อยเฉะั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศนรือยู่ที่บวชหรือไม่บวชอยู่ที่ว่าปฏิบัติได้เต็มที่หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้เต็มที่จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะก็เป็นผ้าหันได้คําถามจากคุณประภาพันธ์ขออุบายในการพิจารณาความตายค่ะก็คิดอยู่ได้เลยว่าเดี๋ยวเราต้องตายแล้วอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ ให้คิดไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่ดองเราก็จะได้ทำใจให้สงบได้หมดแล้วค่ ะ, ะหมดแล้วนะพอแล้วนะก็ะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ